วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบมีนาสี่แปดที่กลุ่มคณะนิสิต ท, ที่เข้ามาบวชก็ยังน้อยวันเต็มทนอีกไม่กี่วันวันที่ยี่สิบหก็เป็นวันลาศิกขาตามที่หมายกำหนดเอาไว้ จากนี้ไปก็ยังเหลือไม่กี่วันขอให้พวกเราทุกท่านที่เข้ามาบวชให้ตบ อ, อกตั้งใจภาวนาการภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านมีกำหนดเอาไว้ พราสมัยพระสมัยนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทำได้ยากยาวไกลพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าเอาจริงเอาจังก็ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าท่านผู้ใดมีอุปนิสัยเก่า พอสมควรแล้วให้ภาวนาอยู่ในสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งในสี่กรรมฐานคือกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้อันใดอันหนึ่งท่านผู้นั้นอย่างจ้าเจดปีเร็วกว่านั้นเจ็ดเดือน ถ้าเร็วกคตเจ็ด ว, วันอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสเอาไว้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเอาจิงๆถ้าเอาจริงเอาจังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คิดว่าคงจะไม่เหลือววิสัยแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายมันจะเผลอซะมากกว่าอย่างตั้งเข้ามานาทีหนึ่งเผลอไม่รู้ว่ากี่ครั้ง จะให้อยู่ในสติประธานสี่ให้สติอยู่ในกายตลอด24ชั่วโมงเว้นเสียตลับก็คงจะเป็นเรื่องที่สู้กันพอสมควรแต่ถ้าหากว่าพวกเราเห็นพิษภัยในวัฏสงสารเห็นความเกิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นมัตุราชที่จะขัดกัดเกณฑ์เราอยู่ตลอดเวลเวลา คล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับเสือสิงหรืออสรพิษอยู่ต่อหน้าเราจะกดกัดฉกเราจะต่อเวลาเราก็คงจะมีสติอยู่กับตัวเองตลอดได้แต่อันนี้คงจะลักษณะอย่างนั้นไม่ได้บางทีใจของเรายังไปถือว่าเสือสิงกะทิงราชเหล่านั้นอสรพิษเหล่านั้นยังเป็นเพื่อนเป็น เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราอยู่ยังเป็นที่นอนนอนจมนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เห็นพิษภัยเพราะนั้นใจของเราจึงเผลอไผลออกไปตามอารมณ์ข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่กับตัวเองแต่ถ้าว่าเห็นพิษภัยเป็นพิษเป็นภัยจริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นความแก่ความตาย กินเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็คงจะไม่เผลอหรือว่าเรื่นเริงมัวเมากับสิ่งภายนอกก็คงจะอยู่ในสติปัฏฐานสีได้แต่นี้มันยากเพราะกิเลสายต่า ม, มันดึงชุดลากจิตใจของเราให้ไหลลงตังต่ำอยู่เสมอเพราะนั้น ทมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจดเดือนเจดวันเจดเดือน7จปีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายหรือว่าปุถุชนทั้งหลายโดยมากก็คงจะสุดวิสัยแต่ทางว่าอริยชนอริยชนผู้มีความมุ่งมั่นเห็นพิษเห็นภัยจริงๆก็คงจะทำได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ท่านว่า มักผลนิพพานรอเราอยู่ไม่เกินกว่านั้นถ้าจิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลาจุะหลุดพ้นจากกิเลสไม่เกินเจ็ปี7จเดือนเจ็ดวันในสคือพระพุทธเจ้ารับรองเอาไวา้เพรนภเพไะนั้นพวกเราที่จะทำจิตให้สงบ ไม่ถึงก็จะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเพียงแต่ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งพยายามใ ห, ให้สติอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมอยู่ในจิตในใจเวลาเดินไปมาเวลาปัดกวาดเวลาเดินเวลาเดินบินทาบาทให้มีสติอยู่ ให้มีสติอยู่กับการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ไม่เหลือพิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่เอาเถอะบวชพระเจ้าบวช ม, มาในครั้งนี้ออกจากนี้ไปเข้าไปเจ้าคงจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากเพราะออกไปมันก็ต้องได้สู้กับการเป็นอยู่สิ่งรอบด้าน ทุกอย่างแต่คราวนี้ข้าพเจ้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติเข้ามาศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะพยายามทําจิตให้สงบให้ได้สักครั้งหนึ่งถ้ามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นหลวงพ่อว่าคงไม่มีปัญหาคงไม่มีคงไม่เหลือวิสัยนะคือพยายามอย่าให้เผลอพยายามทําจิตพยายามตรอมจิต มันคิดไปก็ดึงกลับมาที่ไปก็ดึงกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนตื่นขึ้นมากับพุโทโธไวออ้อีกสักไม่เ ห, เหลือวิสัยจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ ง, งเมื่อจิตเข้าสงบเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วนั่นละ เราจะคุ้มค่ามากในการบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการบวชเป็นพระในครั้งนี้จะเป็นอารมณ์หรือว่าความจําไม่ลืมเลยแค่ท่าที่จิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราจะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราจริงที่ท่านแนะนําสั่งสอนว่า การทำจิตให้สงบหรือเอาสติอยู่กับจิตจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งมีความสุขเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์แนะนำจริงๆข้าพเจ้ายอมรับในการทำจิตให้สงบว่ามีความสุขเนี่ยข้าพเจ้ายอมรับเนี่ยแหละการยอมรับไม่ใช่บอกยอมรับในความได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ เกิดความเชื่อน่าจะเป็นอย่างนั้นเฉยๆฝังรากไม่แน่นบางอันถเถอะถ้าว่าเราทําจิตให้สงบได้สงบจริงๆได้สัมผัสในความสงบจริงๆตามที่ตัวเองได้ปฏิบัติม า, าตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนตัวเองทําได้จริงๆนั่นแหะความเชื่อความฝังลึกในใจิตใจหรือว่าความ เชื่อมั่นในทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจะฝังได้แน่นฝังได้ลึกเพราะภาคปฏิบัติแต่ถ้าว่าเราเรียนเราศึกษาเฉยเฉยมันไม่แน่นมันโยกโยกคลอนคอนถ้าว่าใครมาอ้างเหตุผลให้ฟังเราก็ไหลไปตามเหตุผลของเขาแต่เหตุผลของเขานั้น ไม่ใช่เหตุผลโดยหลักที่เป็นความสัดจริงแต่บางครั้งเพราะความโง่ของเราเพราะความไม่รอบคอบของเราเพร า, เพราะเราไม่ได้ไตรตรองให้ลึกซึ้งเราก็เลยหลงกลระหว่าหลงคารมของเขาที่เขามาแนะนชี้แนะสั่งสอนเราก็ไปกับเขาได้ง่ายๆเพราะเราไม่มีหลักแต่ถ้าว่าเราได้ประพฤติธปฏิบัติ จนทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วใร้แค่เราฝังารากลึกไว้ในพระธรรมคําสั่งสอนของพระริจ้าแล้วตัวนั้นจะถอนไม่ขึ้นเพราะเราเชื่ อ, เ, อเหมือนกับ เ, เราว่าเชื่อว่าไฟมันร้อนอย่างนี้หรือน้ําแข็งมันเย็นอย่างนี้คนจะมาพูดว่าน้ําแข็งมันร้อนนะเขาจะพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อเขาเพราะว่าเรา มั่นใจว่าน้ําแข็งมันเย็นหรือว่าไฟมันร้อนอย่างนี้ถึงไฟเราไม่ได้จับแต่เขาบอกไฟมันเย็นนะไม่มีอะไรรับไฟแต่เราเคยเจอมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราไฟเนี่ยมันต้องร้อนออไฟเนี่ยร้อน อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันน่ยถ้าเราได้สัมผัส ด, ด้วยหลักธรรมคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำํำ เ, เรื่องสมาธิจิตสงบมีความสุข นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะเชื่อได้ด้วยตนเองเพวัะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในครั้งนี้ผมไม่มองเห็นอย่างอื่นที่จะเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ทางว่าพวกท่านทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ ธรรมะจุดนี้จะเข้าสู่จิตใจของท่านท่านจะคิดทําอะไรต่อไปในอนาคตถึงจะมีความทุกข์ร้อนถึงจะมีมรรสผุ ม, มาในทิศทั้งสี่โลกกะระท8แปดจากกระพือพัจฉัดสด์เข้ามาพวก ท, ท่านทั้งหลายก็จะมีที่เกาะที่กำบังที่หลบที่หลีกที่เลนคือธรรมะธรรมะปฏิบัติตัวนี้แหละจะเป็นเครื่อง ยิตเหนี่ยวของจิตใจของพวกท่านตลอดไปเป็นอนันตาการถ้ามีมรสุมมีความทุกข์เข้ามาพวกท่านก็จะวิ่งเข้าหาความสงบเพราะพวกท่านเคยหลบซ่อนได้เคยหลบเคยซ่อนในที่กำบังคือจิตเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละถ้าพวกท่านทั้งหลายได้ประสบความทุกข์ขึ้นมาทางกายทางใจหรือสิ่งอะไรก็ตามในโลกนี้พวกท่าน จะท่องเที่ยวอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งต้องเจอแน่นอนในความทุกข์นั้นแต่เมื่อความทุกข์นั้นเข้ามาหาพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านไม่มีที่พึ่งไม่มีเกา ะ, ไ ม, มกะไม่มีที่กําบังไม่มีที่พิงความทุกข์นั้นจะกระพัดกระพือพัดซัดสาดพวกท่านทั้งหลาย ผลที่สุดจะเหมือนกับปิ้งเหมือนลูกฟุตบอลเลยว่างั้นแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีทำเป็นเครื่องอยู่ในสมาธิทำเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะพอไปเจอมรสุมเหล่านั้นก็จะวิ่งหาจุดนี้ทันทีหาความสงบบริกรรมปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้เป็นกลางทําจิตให้สงบสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามา กระทักกระแทกหรือว่ากระทบกระทั่งจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติจุดนี้จะใช้เป็นนานเท่านา น, านสําหรับผู้ได้ประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสหรือว่าได้อย่างลึกลงถึงความสงบได้แล้วจิตเข้าสู่ความสงบปเป็นหนึ่งได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในครั้งนี้อย่าให้เสียท่าเสียทีนะ ในหลักที่ท่านบอกเอาไว้ว่อารักขกรรมฐานกรรมฐานควรเจริญเป็นนิดอยู่สม่ำเสมอเรียกว่าอารักขกรรมฐานพุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีที่เกื้อกูลหนุนที่แนะนำสั่งสอนสัตตวโลกอย่างพวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณถ้าตรัส เขาทำคำสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติอย่างศีลห้าอย่างนี้สําหรับครวญศีลอโบสถศีลแปอย่างนี้มีคุณค่าอย่างไรสําหรับสมณเณรกืศีลสิบสาหรับพระก็ศีลสองอิบเจอันนี้คือศีลจากนั้นก็ทานะคือการให้ทานาการเสียสละที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนจากนั้นทำหมวดต่างๆ ที่ท่านแนะนําอบรมสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเราท่านปรินิพานไปแล้วเข้าสู่นิพานไปแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเราเรากราบเราเคารพเราการาบไหว้เทิดทูนบูชาพระองค์ไม่รับรู้ทางนั้นอแต่พวกเราได้พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับเราถ้าว่าผู้ใดมีธรรม ปูนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวใดมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติใดมีคุณธรรมประจําจิตประจําใจประเทศชาตินั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพระนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้พระธรรมของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้คารวะปูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา อันนี้ให้ระ ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าจากนั้นเมตตาเมตตาคือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายให้มีความร่มเย็นผาสุขเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคนที่มีเมตตาหลับและตื่นเป็นสุขไม่มีเวรมีภัย ต่อใครทั้งหมดเพราะสิ่งไหนก็ตามเราก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธโกรธเครื่องไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับใครทั้งหมดใครๆทั้งหมดเพราะการผูกอาฆาตพยาบาทเขานั้นไม่ดีเราเขาอาฆาตเราก็ไม่ดีเขาเราอาฆาตเขาก็ไม่ดีถ้าให้อภัยกันต่างคนต่างทำผิดทุกคนมีผิดได้ทุกคนแต่ให้อภัยกัน เวีทั้งหลายก็จะระ ง, งับได้แต่ถ้าว่าทุกคนมีการไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยกันจองเวีกันอยู่ตลอดเวลาต้ององเวีนกันอยู่ตลอดไปเวีนันจะไม่ระ ง, งับเพราะนั้นเมตตาเท่านั้นเองที่จะเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนให้เวณภัยทั้งหลายจะไม่เกิดที่เกิดแล้วก็จางหายไปเพราะเมตตาเพราะนั้นทา่านจะให้มีเมตตาประจาใจ ตื่นขึ้นมาก่อกำหนดบริกรรมก่อนภาวนาก่อกำหนดข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่พูดเฉยๆว่า ง, งั้นออกมาจากใจจริงจริงข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นเขาขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือใจให้แผ่เมตตานในใจสําหรับทุกๆทุกทุกทุกทุกทุกๆคนว่า ง, งั้นะ ใช่ๆกับว่าให้เป็นอาจินระ ล, ลึกว่าอยู่เสมอเราอารักขกรมมฐานและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราเมตตาแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอสุภะให้พิจารณาร่างกายตนและคนอื่นให้เป็นของไม่งามให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นยังไงตั้งแต่ ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าแล้วเขาดูข้างในเป็นยังไงทะลกหนังออกแล้วเป็นยังไงมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยว ะ, วะข้างในตับลำไส้ปอดอะไรทุกอย่างอยู่ในร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นอสุภาพถ้าว่าเราเป็นเห็นเป็นสุภาพจิตใจของเราก็จะไม่กำเริบในการมกิเลิทั้งหลายอันนี้ก็คือธรรมะคล้าว่าเป็นเครื่อง เยียวยาหรือเป็นเครื่องห้ามล้อหรือเป็นเครื่องเปลกจิตใจของเราไม่ให้มันตะลิดเปิดเปิงไปในเรื่องความรักสวยรักงามจนเกินไปเพราะร่างกายของเราเป็นยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เรา ว, ว่าอสุภกรรมฐานข้อสุดท้ายเราว่ามรณะนุสติและลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกคนถึงจะมั่งมีสีสุขผลที่สุดก็ จบลงด้วยความตายถึงจะมียศ้าบรรดาศักขนาดไหนผลที่สุดจบลงด้วยความตายเห็นไหมพวกเราในประเทศไทยของเราตะก่อนเรื่องมีอานาจวาสนาถึงขนาดไหนทุกท่านที่ได้สัง่งซ้าทังสร้างคุณงามความดีหรือสร้างความบอบช้าให้แก่ประเทศหรือว่าช่างสร้างถึงสิ่งที่มันไม่ดีต่อประเทศชาติ สร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติทุกท่านเหล่านั้นก็ผ่านไปจากไปแต่ว่าการจากไปของผู้ที่ทำคุณงามความดีนั้นถึงจะจากไปก็จากไปด้วยตัวของท่านเองก็สบายอกสบายใจพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็เชิดชูบูชาว่าท่านเป็นคนดีแต่ผู้ที่จากไปโดยที่ทำกรรมชั่วสุดๆแล้วจากไปไปก็ได้ความทุกข์ ใจของท่านและพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ตำหนิว่าการกระทําอย่างนั้นไม่ดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนให้ระลึกถึงมรณะนุสติอยู่เสมอในการเป็นอยู่ทุกย่างก้าวการเป็นอยู่ทุกขณะหรือว่าต่อไปภายภาคหน้าที่เราได้เอเป็นหมอหรือว่าทําหน้าที่การงานในรับหน้าที่ตําแหน่ง ก็ให้จำเนียกจำเึกไปอยู่เสมออย่างที่ผมได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบถ้าว่าพวกเราทําคุณงามความดีเป็นหมอที่ดีจิตใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขที่อยู่เบื้องหลังก็มีแต่ความยกย่องเชิดชูใจของเราเมื่อจากโรคนี้ไปไปปแลโลกภายภาคหน้าพวกเราก็ไปด้วยความสบายอกสบายใจไปด้วยความภาคภูมิใจ ไม่พิต ก, กังวลแต่ท้าว่าเราทากรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไว้ในชาติบ้านเมืองแล้วต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วต่อคู่คนในชาติแล้วถึงเราจะจากไปก็ จ, จากไปแบบไม่สง่าคนที่อยู่เบื้องเราก็คนที่อยู่เบืออเบ้องหลังก็ตาหนิติเตียนเพราะนั้นการที่เป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งเป็นอยู่ ให้ประกอบคุณงามความดีอยู่ทุกเวล่ามเวลาทุกสถานที่ <c oughs> ให้ปัจจุบันเป็นคนดีอยู่เสมอให้เตรียมตัวไว้ในปัจจุบันเสมอออ <c oughs> ถ้าว่าคนเราปัจจุบันของเราเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้เราเป็นคนดีเราสร้างดีไว้อยู่ตลอดออนาคตเออ ต้องดีแน่นอนเพราะอาดีตในปัจจุบันเป็นเป็นคนดีอนาคตก็ต้องดีแต่ถ้าว่าเราทำ ร, รมชั่วในเดี๋ยวนี้อนาคต้องก็ต้องมืดบอดแน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วว่างั้นเถอะถ้าคนขี้เกียจเรียนหนังสือเป็นยังไงไอ้คนขี้เกียจทาการทางานเป็นยังไงคนขี้เกียจเก็บหอมรอมริบเป็นยังไงคนทาความชั่วสุดๆแล้วเป็นยังไง ในปัจจุบันแล้วอนาคตเป็นยังไงนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมืดบอดไปหมดเพราะะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสำหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งให้ประกอบคุณงามความดีในปัจจุบันการมาบวชในครั้งนี้ก็เป็นชีวิตช่วงหนึ่งที่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษ า, ษ า, ษาธรรมะปฏิบัติได้ศึกษา ปริยัติด้วยทั้งปฏิบัติด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะให้เสียท่าเสียทนะีเข้ามาบวชทั้งทนะีที่เน้นหนักที่สุดเลยอย่างที่ผมเรียนให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบพยายามทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งให้ได้ในการบวชในครั้งนี้นะแต่ว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพยายามทําจิตให้สงบคือเราจะไปคุกครีตีโมงกันมากอย่าไป พูดคุยกันมากเพราะโอกาสที่เราจะพูดคุยมีถึงเยอะแยะไปพยายามห้ามขิดห้ามใจของตนเองไว้ถึงอยจะคุยก็ไม่คุยใครเข้าเบรกเอาไว้ให้ปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนําตามที่เราได้ยินได้ฟังจากทำคำสั่งประทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะพยายามปริกตัวอยู่ในความสงบ พยายามทำตัวให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอแล้วก็พยายามบริกรรมกากับกับสติสติกับจิตสติกับจิตการเคลื่อนไหวไปมาทุกอย่างก่าการเคลื่อนไปไวไปมาของร่างกายทุกทุกครั้งให้มีสติถ้าเรามีความพยายามอยู่สม่ำเสมอนะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่ง ความสงบก็จะต้องมาพวกเราต้องได้สัมผัสต้องได้ริมรถแห่งความสัมผัสแน่นอนไม่ต้องสงสัยนตะทีสันติพ ร, รังสุขขังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พวกเราจะได้รับรู้รับทราบด้วยตัวของเราเองนะเพียงแค่นี้ก็น่าจะคุ้มแสนคุ้มนะถ้ า, างว่าพวกเราทําจิตให้สงบให้ได้ในการบวชในครั้งนี้ต่อไปภายภาคหน้าจะค่อยศึกษาต่อไปอีกบนะ้า เมื่อสงบแล้วเป็นยังไงทำยังไงพื้นฐานเป็นยังไงในเมื่ อ, อรู้รสแข่งความสงบแล้วผมว่าคงจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวนะอันนี้เป็นว่าได้ฝังรากฝังรากลึกในพระพุทธศาสนาคือทำจิตให้สงบคือภาคปฏิบัติแต่ถ้าเราเรียนรู้ทางฝ่ายปริยัตมันไม่ลึกนะมันไม่แน่นเออ ถ้าว่าใครมีวาทะที่เหนือกว่ามีความรู้ที่เหนือกว่าชักนาที่เหนือกว่าเราเขวได้ง่ายๆเพราะราไม่มีหลักแต่ถ้าว่าเรามีหลักจิตของเราสงบไปพื้นฐานสักครั้งหนึ่งแล้วถึงใครจะพูดยังไงเราก็ยังลําลึกถึงและลึกถึงที่ว่าสมัยหนึ่งค้าทําจิตให้สงบมันสงบได้ยังไงทําไมมันเป็นอย่างงั้นด้วยอารมณ์อย่างนั้นทําไมมันจิตใจมันมีความสุข ร่มเย็นเป็นฉุกเกินถึงยังไงยังไงมันก็ถอนไปขึ้นจุดนั้นอ่างั้นแหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาวันนี้ก็ฟังเทศสักกันหนึ่งฟังเทศหลงตาสักกัรหนึ่งนะเอานั่งสมาธิต่อนะทีนี้นะ